ท่านสาธารณผู้ตบริษัทต่างหลายและบรรดาลูกหลานที่รักเมื่อวัยก่อนนี้ล้มปู่พุ่งมากเกินไปเรื่องราวก็เลยไม่ได้กันเรื่องมโหสถวันนี้ก็เห็นจะไม่รบกวนลแล้วแะ่ถ้าว่าล้มปู่เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่คนจะพูดเพราะว่าต่อไปชาติเป็นเรื่องของลูกหลานที่ต้องรักษาเาไว้ ก็จําเป็นจะต้องดูตัวอย่างคนก่อนที่เขาดีมาวันนี้ก็มาพูดกันถึงตอนที่พระเจ้าจุล น, นีสมุทัศยกองทัพเป็นล้อมกรุงมหิดลามหานครพอย้อนต้นเสนิดหนึ่งไม่ได้เชื่อมกันเพรว่าเมื่อพระเจ้าจุล น, นีสมุทัศน์เรียกบรรดาราชาทั้งหลายลเรามานั้นก็มาแล้วก็สั่งว่าพวกท่านจงไปกับข้าพเจ้า ไปจับพระเจ้าวิเทหราชมาตัดซีตะแเราตัดให้มันเป็นท่อนๆๆๆในฐานะ ท, ท, ท, ท, ท, ท, ที่มันพนองโออาจสั่งทหารของมันมารังควานทําข่าวทาความลังคานให้แก่เราเพราะว่าพวกเรากําลังจะมีความสุขมันแกล้งเราอย่างนี้แต่ความจริงฉันคิดแล้วเนะว่าไอ้เมืองนี้เนี่ยฉันยังไม่ทํา และ่ใ้เมื่อมันทำลายหัวใจกันแบบนี้ฉันจะต้องทำแล้วจะนี่สั่งให้กองทัพจีนเราคือกองทัพมากองทัพรถกองทัพทางกองทัพราบมีจํานวนมากมายไปย่ำเหยียบต้องการจะย่ำเหยียบเมืองมิถิลามาณฑลทวีนัดในคริสตาเดียวมีความจริงเวลานี้ไปที่เราก็คล้ายคึงกัน กับกรุงมิถิลามาหานครแม่ก็ดูต่อไปว่ากรุงมิถิลานาคมาหานครเนี่ยเขาทำยังไงเขาจึงริบพ้นภัยได้ความจริงกองทัพตั้งร้อยสองประเทศคือเมืองขึ้นร้อยหนึ่งประเทศกับกองทัพใหญ่ของพระเจ้าจุนมีพมพัพอีกองทัพหนึ่งรวมกันร้อยสองประเทศจะทํางานประเทศเดียวไม่สำเร็จ เมืองประเทศไหนเขาป้องกันแบบไหนดูตัวอย่างเขานะจะดูลีลาเขางมโหสถว่าเขาทำอย่างนักการเมืองของเราหรือเปล่านักการเมืองของเรานักการทหารของประเทศเราทำเหมือนเขาไม่ถ้าทำได้อย่างเขาก็รับรองว่าประเทศของเราจะปลอดภัยถ้าทำไม่ได้อย่างเขาประเทศของเราก็จะเป็นแบบยูนิคอเม่น ที่ได้ขอรูหลานที่รักมาฟังแล้วก็จำอย่าคิดว่าเป็นนิทานได้ประโยชน์อันนี้ไม่ใช่นิทานเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่องค์สมเด็จพระสัมม า, าสัมพุทธเจ้าทรงผ่านมามันจะนานแสนนานก็ตามทีแต่ว่าเราใช้ยุทธวิธีทางนี้เราก็มีผลเหมือนกันทุกอย่างต้องขึ้นประวัติศาสตร์ถ้าเราจำประวัติศาสตร์ไม่ได้เราก็บริหารประเทศไม่ได้ ถ้าเราไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เราก็หาความสุขไม่ได้เรื่องประวัติศาสตร์จะมีความสําคัญตอนไหนที่เราลบแพ้เขาเครื่องทําพ่ออะไรเราชนะเขาพ่ออะไรต้องจำว่าเขาทํากันมาแบบไหนจึงแพ้เขาทําแบบไหนชนะมีคนเขามากมายหลายกองคนเมืองมิถิลานานะครไ ม, ม่ใช่หยิบมือเดียวจะสู้ก็ได้ไม่ได้ฟังกันไป เอ็นนั้นว่ามเมื่อพระเจ้าจุนนีสมมทัตยกทัพไปแาวนั้นเกวัดปุโรหิตก็ทูลทัาานบอกอย่าไปไม่ได้น้เมืองนั้นเพราะว่ามโมโหสดบันดิคนนี้มีปัญญามากถ้าขืนไปจะต้องย้ายยับกลับมาพระองค์ไม่เชื่อถือว่าเรามียศใหญ่ที่เมาอำนาจเมาความเป็นใหญ่ไอ้ตัวมาเมาแบบนี้ถ้ามีในประเทศไทยมัไรประเทศทางมั น, น, น ถ้าใครมันเมาแบบนี้ลูกหลานจะยอมรับรับถือมันนะมันจะทําให้ชาติมันไรตัวเราก็จะต้องคนรับความลําบากไปด้วยดูอย่างเราะทําทำแบบยังโยนไต่ต้องหนีออกนอกประเทศไปอยู่ประเทศอื่นนะไม่มีใครเขายอมรับรับถือเราเป็นญาติหรอกเว่าถือว่าเป็นทาสที่อาศัยเมืองเขาไม่มีความสุ์ เป็นอันว่าเมื่อในเมื่อพระองค์ถือว่าเป็นเจ้าศัตรูยิ่งใหญ่เทวจะห้ามแปลงเท่าไร่ก็ไม่ยอมฟังพอได้เวลาก็ยกทัพออกไปพร้อมด้วย ร, รายชชัยร้อยเอ็ดองกองทัพไปจริงจริ้อยสองกองทัพโอ้โหมันไม่สินน้อยเลยนะตั้งใจว่าจะทัพฟีตปีพร้อมๆกันนะคนเมืองมิจฉาอานนะท์นครโอแตกตาย สำหรับผู้ทหารเขาที่มาโหสดวางไว้ก็ส่งข่าวการเคลื่อนกระบวนทัพของมระเจ้าจุล น, นีพมทชมุ่งทรงมุ่งเข้าสู่กรุ ง, งมิถิลามหาคนครแจ้งไปให้มโหสถทราบล่วงหน้าก่อนมโหสถมโหสถเมื่อใดทราบข่าวว่ากองทัพของพระเจ้าจุล น, นีจะมาไม่ว่าจะมาถึงในวันนั้นวันนั้นเตรียมการคล้ายๆคเนไม่ผิดคนมีดีญาณ การเดินทัพมันเดินเร็วไม่ได้คนเดินสค่ขาคิดว่าระยะทางที่ขึ้นมาจากโน่นที่นี่ระยะทางไกลเท่าไรแค่สี่วันจะถึงฉะนั้นว่าหอสดในแบบในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาเขาไม่มาหานักขั์ก็เตรียมการป้องกันอย่างเข้มแข็งดูี่ด้วยว่าคนมากกับคนหยิบมือเดียวคยใครจะชนะนยรานฟังให้ดีนะจาไว้ด้นะ ฟังแล้วก็จำจำเราคิดคิดว่าถ้าเราโตขึ้นเราจะทำตนอย่างหมหสแไม่ก็จงอย่าทำตนอย่างพาราการและนักการเมืองเราเลวพาริการและนักการเมืองที่ดีมีมากกว่าเลวดูดวอย่างคนที่เขาดีดีคนไหนดีจำมาไว้ในใจว่าฉันจะต้องปฏิบัติทาแบบนี้ การสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ใช้ได้เป็นหลักการเป็นหลักการปฏิบัติเมื่อใช้วิธีการให้มันเหมาะสมกับกายแลสมัยใช้ได้ดังนั้นว่ากองทัพเขาไปเจ้าจุนันี่าถึงกรุงมัชย์ลาหมอนครในตอนค่าเวลากลางคืนเขาต้องจุดคบเพลิงคบเพลิงไอค้คบเพลิงเขาทำหนุ่าไม่ลํามา ทะลวงข้อลงไปข้อทายไว้อน้ำมันใส่ข้างในแล้วก็ผ้าซีลใส่ข้างนอกทำเป็นใสยาบุทั้งแลนวาตอนปลาแคจุดถือแบงขามคนจำนวนนับล้านนี่ให้คบคียงกันแดงแสงสว่างอรียงอะไรมาถึงก็ ล, อล้อมพระนครแล้วก็แม่ทัพก็จัดกองทัพวางทาง เอากองทัพช้างล้อมกองมณีคาแมงกรงมิจลามานครเป็นขั้นหนึ่งเอากองทัพม้าล้อมเป็นขั้นที่สองเอากองทัพรถล้อมเป็นขั้นที่สามมเอากองทัพ ร, ราบราบเข้าไปถึงกองหน้าจะคิดตีจะแพ่งเมืองโอ้โหยังนี้ก็เสร็จตายแล้วมั้งโโหสถ โมโหสดเจี๊ยกลายเป็นโมหมโหเน่าหรือไม่เน่ า, นากันเนาะเอาฟั ง, งกันต่อไปน้อาเสียงกองทัพมันมากมากระทึกใส่กล้องเหมือนกับเป็นหนึ่งว่าแผ่นดินกรุงมิศิลามณฑลจะจะล้มจะถล่มทลายลงโอ้โหจริงจรงนะคนมากแบบนี้แล้วเขามากันมากเขาเล่ยคนในเมืองกรุงมิศิลามเล็ก ข้านายกองทัพที่มาเนี่ยล้อมถึงสี่ท่านไม่คิ่เล็กลนะตัใหญ่มากทหารทุกคนก็มีความหพือเหรอมาเพิ่ตาเดียวคนในเมือง น, นี้ต้องตายหมดในเมื่อใจไม่คิดว่าจะชนะสักอย่างเดียวกำลังใจก็เือเหรอต่อมาก็มามองโดยจานย์อสี่เทตุงเสยนกุกุสะการินแล้วก็เทวิน เมื่อได้ยินเสียงโห่ร้องคือกล้องโกาลาหลแสงตะไปสว่างไสวให้ท่วเมืองกินนันโอโหน่าดูก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่า ไ, ไม่เคยเกิด อ, อะไรอนนัน้บันดิกแปลกยิ่งเข้าไปพ่อพระเจ้าวิเทียรราชตรมกษักริ์สิทธิว่าขอเดชะเทียงอื้องก็ ตัวกคค้องโกแหละหนุนพระครนั้นมีอะไรเกิดขึ้นข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบเหตุเห็นคนที่พระองค์จะทรงพิจารณาให้ ท, ทราบเหตุเพียงแค่นั่นเองแล้วคนมีปัญญาเขาเก็บไว้ที่ปรึกษ า, ามาสอนเขาได้เอาจริงอาจาย์เข้าปัญญาหมดไม่มีปัญญานี่คล้ายๆกับที่ปรึกษาของมหารลักษณ์ใปัจจุบนัน เวลาเข้าที่ขับขันอยี่จริงๆถ้าเหตุนาเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่มีปัญญาจะแก้ไขอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะเป็นอนุ่าพระเจ้าอิเทียาราชทีนีสทรงเปิดสะแกเคือเปิดหน้าต่างดูก็ทราบว่าพระเจ้าจนนนีธรรมทัตยกกองทัตมาล้อมคอนครแล้วพระองค์ก็ตกใจไทยตกใจตัวเป็นอย่างยิ่ง มองดูกองทัพมันเต็มทุ่งเต็มท่าหมดเป็นชั้นชั้นชันนับปริมาณไปนับเป็นล้านล้านดวงตู้เห็นท่าจะตรงไม่ทนไม่ไหวสู้ไม่ได้ตกใหญ่เธอยืนแต่ทับนิ่งต่ลิงไม่พูดพูดอะไรไม่ออกจึงท่าใจน้ำสีกราบคุณเตียน่ยงกินรงตัวว่าไอนี่เราก็เห็นจะไม่พ้นเงื้อมมือของข้าสุดแล้วในคราวนี้ วันทุ่งนี้เขาคงจะยกกำลบุกโจมตีเราเป็นแมนอนคงเส้นแน่ไม่ต้องห่วงเลวเขาตีแง่แง่ถ้าเขาตีเราจะมีทางสู้เขาไหม่านอาจารย์ท่านสี่โชคิดด้วยอาจารย์ท่านสี่เขาไม่แตกหลักหมดปัญญานี่เห็นไหมไอ้คนคุยโว น, นมันเป็นอย่างนี้สู้คนนี้เขาไม่คุยไม่ได้อันนี้ก็มากล่าวถึงมหาโหสถ เขารับอาสาป้องกันบรรคอน <c oughs> ตอนนี้ลูกหลานต้องคอยจำให้ดีนะลูกหลานที่รักว่าเขาใช้ปัญญากันยังไงคนน้อยทำไมจะสู้คนมากได้ยาวประเทศเราเวลานี้ถ้าสศึกล้อมอยู่ทั่วรอบเขตมีท่านในประเทศก็มีมากถ้าเราใช้ปัญญาอย่างโอโหสดแต่ไม่ต้องทำเหมือนนะถ้าการรบไปนคนนอย่าง ใช้ปัญญาเยาวมโหสถไม่ยื้อแย่งแข่งดีกันแล้วก็เราก็ชนะหลวปู่รับรองว่าประเทศไทยจะต้องชนะข้าวศึกไทยไม่มีวันที่จะแพ้ข้าวศึกโดยขอให้ทุกคนมีความสามสัคคีและใช้สติปัญญาให้ดีเป็นของไม่ยากในการชนะข้าวศึกฟังเรื่องราวของมโหสถต่อไป เมื่อมโหสถเห็นกองทัพเขาระเจ้าจินันมียกบอลล้อมนครแบบท่า น, นแต่เทินท่านเองท่านไม่รู้สึกตกใจไม่เทนีเกี่ยวท่านไหนมาท่านไม่ยำเพราะนั้นว่าเขาเป็นคนมีวิญญาณเนี่ยเขาพร้อมแล้วท่านนี่เพราะว่าโมโหสถได้วางการป้องกันมระละครไว้แล้วอย่างม่จะมาด น, นี่เขาไม่มานั่งแย่งเก้าอี้กนันยังไง คนนันได้เป็นไหน่ๆคนนี้ได้เป็นนี่กูจะเป็นเมืองเมืองกูเมืองเมืองเป็นก่อนกูกูเป็นก่อนมืองเนีอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐมนตีมันนั่งทิ้งเรื่องที่้มูรายขีแ้แม้เนี่ยอย่างนี้ประเทศชาติทำไมล่ะคนประเทศนี้ดูหลานอยาครบเอาแต่ความสุขส่วนตนไม่หวังดีกับชาตดูตัวอย่างหมอสุชาติ เพราะเขตังวางการป้องกันไว้อย่างแข็งแรงก่อนแล้วแต่ว่าคิดเป็นห่วงพระเจ้าวิศวิหาชเพราะว่อพระองค์จะทรงต ก, ตกระไทยหมายความกลัวพระราชายจะกลัวจะตกใจอย่รีรเบเข้าไปสู่พระราชนิเวเฮดเขตได้จะถ่าย ท, ที่เขา้าไปในวังราบถวายบังคมแล้วก็เฝ้าอยู่นั่งนิ่งอยู่ก่อนเพื่อจะฟังกระแสรพระราชดำริของพระราชา พระเจ้าวิเทหราชทรบรมกษัตริย์พอทอดพระเนี่เห็นมโหสถก็เกล้าก็สมายใจรับสั่งกัมมโหสถว่าพ่อมโหสถรู้รักพระเจ้าจุลนีกษัตริย์แห่งปัญจาลนครยกกองทัพมามากมายเหลือเกินมาล้อมเมืองของเราในครา้นี้เราควรจะแก้ไขยังไงจึงจะรอดพ้นจากการโจมตีของข้าศึก เพราะการรบครั้งนี้พ่อมองไม่เห็นเลยว่าเราจะชนะก็ได้พ่อไม่เห็นทางจริงๆท่านมโหสถได้กราบคุณว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าทรงพระวิตร์ตกไปเลยพระพุทธเจ้าข้าเรื่องนี้เอาไว้เป็นธุระของข้าพระพุทธเจ้าก็แล้วกันถ้าพระพุทธเจ้าขอรับรักษาป้องกันราชสมบัติของพระองค์ ถ้าเขาองจงประทับอยู่ในพระชจัฐานนี้เหมือนหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จงอย่ารงนึกถึงการสงครามเลยข้าพระพุทธเจ้าแจกจัดกันกับพระเจ้าจุลลีแต่ผู้เดียวไม่นี่น่ะู้ห้านที่รักมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ใครเขาเผาตึกเผารามเผาชวน เขาลงเรียนเขาสถานที่ราชการทำลายวัตถุ ก, ร า, การณ์นั่งนิ่งเฉยๆคอยให้มันทำคนอย่างนี้เป็นคนทำลายชาติมันต้องอยัง ห, ห, ยหัหสถเทดีเขาวิ่งคนฉลาดดูเขอต่อไปเมื่อพระเจ้าวิทหราชได้ทรงฟังหม้อสดพูดกราบทูลแบบนั้นก็ทรงเบาทยหาให้แกงวลเ็ว่าเหตที่เกิดเชนนั้น เพง่อได้ทรงรัก่งอยู่าโหสุดว่าพ่อมมอโหสุดฉันไว้ใจนะเพื่อพ่อไว้ใจลูกในความสามารถของลูกในพ่อที่ว่าลูกทำได้ขอลกูกจนทำหน้าที่ป้องกันราชันณาจักรที่เราปกครองอยูนี่ให้ผาสุกแก่นาบชัยรัศดรเถิดไว้ไว้วหมอออำนาจเลย มอบอำนาจความเป็นใหญ่รับหนา้าที่เหมือนกับรมบาทิสมเด็จี่หัวงมอบอำนาจให้แก่นายกรัฐมนตรีไปเมห่อโคตรสดพระบรมราชองค์การแล้วก็กลับถวายบังคมทูลลาออกมาและจึงสั่งให้ตีกอรกองประกาศประชาเมตนครว่าท่านที่น้องชาวมิถิลานครทั้งหลายการที่พวกเรา ข้าวไม่ใชลานละครพวกข้าวศิษย์ร้อมโดยรอบขอ้านี้ขอทุกท่านอย่าได้หวาดสะดุ้งเกรงกลัวข้าวศิษย์อย่างไดเลยจําให้ดีนะลูกหลานนยจำมาขอให้พวกท่านทั้งหมดประดับร่างกายด้่นดอกไม้หอมแม่และขอหอมมาเล่นชมลมมาเฮนะือกสนเถิดแม่ในเยอ้ข้าวศิษยนะ์มานี่เล่นจิตวิทยากันแล้ว ความจริงกองทัพเขามากกองทัพเขาใหญ่เขาเราเล็กแต่ว่าแทนที่มันเขาจวสั่งการลบบอกให้มาด้วยเถอะะเพียแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆแล้วหเขาศจัดทหารป้องกันไว้แล้วตอนนี้เป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นการรักษากําลังใจนี่เขาทำอย่างนี้นะไม่ใช่ประเภทกระจายเตืนงตูมเลยเดี๋ยวจะปฏิวัติที่นอนจะปฏิวัติ น, นิรัตน กองทัพที่เงินจะยกมามาหนึ่งกองทัพที่นี่ยกมามาหนึ่คนอย่างนี้เขาไม่ได้สมัครคนเขาเรียกวิถีคือผีมันหลอกไอ้ผีหลอกไม่น่ากลัวไอ้คนหลอกน่ากลัวทําไม่หวา่นหวันเมื่อชาวพระนครไปชุมพร้อมกันแล้วมาห้อยสดจึงได้ยืนขึ้นกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายพวกเราจะมาป้อนรําขับร้องประโคมดนตรี ดีสีดีเป่าโหร้องหฮหาให้เป็นที่สนทสนานคอยบริโภค ก, กันให้อิ่มหนำสำรานเิดทำให้ส บ, สบายไม่ต้องตกใจกองทัพแม้จ่ใหญ่เราก็สามารถจะราบได้มีกำลังใจคนมันยิ่งีอยู่ที่ ว, ทวันหน้านะดูตัวอย่างของประเทศเราสมัยที่พระเจ้าตากสินมาไรา้กููชิชาวานาน พระองค์ตีฝ่ายข้าศึกมีกำลังคนถึงห้าร้อยคนแล้ก็ไปชุมนุมคนได้ประมาณห้าพันคนห้าสิกมีกำลังนับแสนแต่อาศัยกำลังใจของคนไทยทุกคนที่มีจอมทัพดีแล้วก็มีแม่ทัพที่เก่งกาจเชื่อสมเด็จพระเทพรัตน์บราโลกแต่สมเด็จพระวังบวรฯพระเจานาฏ มีพระเจ้าตากสินเป็นหัวหน้ามีสองท่านเป็นแม่ทัพเรียกว่าเป็นทหารร่วมประเทศไทยใช้กำลังคนเพียงห้าพันคนสามารถกู้ชาติได้ภายในไม่ถึงสี่นี่ถ้าเราสามารถคีไม่แย่งแย่งไม่แก่งดีกันแล้วก็แค่นี้มันไม่ยากเวลานี้ที่ประเทศไทยก็เรามันยากอยู่เพราะวันมันแย่งกัน แย่งตำแหน่งแย่งดีกันทําแบบ ย, ยวนโยนโยนใต้ที่แพโยนเหนือก็แบบนี้แหละฉะนั้นขอลูกหลานทั้งหลายที่รักจงอย่าเอาเยี่ยงอย่างการจีแต่งแย่งแขงดีแย่งตา แ, แตหน่งอยากได้ตําแหน่งเมืองลินพาโกพลินพามือ ง, ยงอย่างชาวยวนใต้ให้มีประโยชน์มันมีแต่โทษ ในที่สุดจะแตกกระสั น, นตั้งเต็มตรงนี้ว่าเล่าประเสริฐให้เล่เาเรื่องกันต่อไปว่าชาติมรดครต่างก็ทำตามมโหาสถโัวการกำลังใจก็เกิดขึ้นหลดแหมเราเชื่อมโหาสถท่านเป็นคนมีปัญญาท่านผู้ใดเราต้องเชื่อที่ว่าคำสั่งและคำแนะนำของมโหาสถทุกท่าคำที่เขาไปเราจะปะฏิบัติตาม สั่งบุกเราจะบุกสัางถอยเราจะถอยสัางเล่นแล้วจะเล่น ส, สั่งกินเราจะกินนี่มันต้อ ง, องนี้ทําเหมือนคนคนเดียวกันพู้ที่อยู่นอกเมืองเมื่อได้ยินเสียงโหดร้องคับระคงจนตัวพ้พายังเข้ามาในเมือ ง, งนี่แหะพราะข้าศึกเขาร้อนอยู่ไม่ใชไม่ใช่ร้องติดําแพงเมืองเขาจ้างอยู่ห่างไกลเพื่เป็นยุโรป <c oughs> เพอโดยที่ไม่มีใครขัดขวาห้ามตั่งเข้ามาก็เข้ามาเห็นมาประตูเมื่อครั้มีคนเข้าออกกันอยู่ปลอดไม่ขัดแทนที่จะปิดประตูเมืองโทรเข้ากลับก็ไม่เจอเลยเพราะสุดสั่งไม่ต้องปิดประตูเมืองใครอยากจะเข้ามาก็เข้าใครยาจะออกไปก็ออกนี่ปัญญานะเนี่ยมันก็ได้จิตวิญญา สำหรับพระเจ้าจินนีธรรมทั์ได้ขดับเสียงไปโคมดนตรีเอฮาเสยอสวนสนุกสนานในเมืองมิสิลามานคนดูค่ยก็ว่าเมืองนี้เขาไม่มีความรุ่เสือเลยก็คทัพเขามาตังเยอะแยะทำไมมันยังสนุกกันไนี่รับสั่งให้ราชบุลรุดไปสืบไปถามดูไอ้เมืองนี้มันเป็นไง มันเป็นเมืองคนบ้าหรือยังไงแต่เรายกทัพมาต่างเยอะแยะมามันเกิดมาร้องรำทำเพลงกันเลยบรรดาราชูรมนุษเจ้าจีนันมีไปย่องขบศึกถามความแก่ผู้ที่บโหสถกันและว่าคือว่าก่อนที่บโหสถจะสั่งใร้องเขาเล่นก็สั่งคนของท่านสั่งให้เรียบร้อยเพราะว่าเดียวที่เจ้าคนนั้นมันย่องอมาถาม ถ้าถามแล้วก็บอกอย่างนี้นะต่อติดต่อติดบอกการฉนวนว่าเอ่อที่มโหสถบอกว่าถ้าหาว่ามีใครมาถามให้บอกอย่างนั้นอย่างนั้นบอกอย่างการฉันบอกเมื่อราชบริษัทไปทราบความจากผู้บอกจึงเข้ามากราบพูนพระเจ้าจุลนีว่าถ้าแต่พระทธเจ้ามาเรพระเจ้าเลยนะพระพุทธเจ้าได้ไปถามชาวเมืองได้ความว่า เขามีมีมหมอรัศกันแล้วกันเลี้ยงดูกันภายในพระนครที่เขาทำดังนั้นก็เพราะว่าก็เพราะพระราชาของเขาคือพระเจ้าวิทยากได้ทรงตั้งบริพันธ์ไว้แต่สรั้งอย่างรงพระยาวา่าเมื่อจะสัตย์ใดในสุโจมัูทุปวียกมาล้อมนครเมื่อ น, นั้นชาแม่อคอจะเล่นมหมอรัศม เลีเ้ยก็แล้วว่าเลี้ยงดูกันแบบสนุกสนานบันนี้สมปนิพันธ์แล้วคือการตั้งใจของออกของความปักษ์นาพระราชของเขานั่นแหละสมที่พระราชาของเขาตั้งใจเลยแล้วทางราชการที่ไ้เป่าร้องให้ทำละครเล่นหมอศกอันนี้ก็เลี้ยงดูกันเป็นการใหญ่ความปรากฏทางนี้แหะเราพูดเกี่ยวกับพระวิชาการ พไอเจ้าจินนีคือมันทัดได้รดับกันนั้นก็ทรงไขเ่เกลียงเป็น ม, มากแจ้งสรงแต่าหานว่านี่ฐานน่าหลายจงรีบผมเมืองโดยรอบเพราะว่าผมเมืองหมายความโคตรโคตรที่ก็ขุดไว้ชั้นนอกชั้นในก็าตามหลายชัน้นผมเมืองเลยรอบทําลายโคตรทำถนนทําลายกําแพงทําลายประตูหรอรบ แล้วก็พาเริงเข้าไปในเมืองตัดหัวชาวเมืองความทุกเกขียนมาสักร้อยเรื่องขียนโ อ, โ, อโอ้โ吼ใจร้ายเลยนะแล้วก็ตัดเขียนพระเจ้าวิเทธาราชมาให้ลายเลยไม้เราเลยมันแหนดุจิงห์ ท, นนะทำได้อันนี้ไม่มีหวังให้ฟังต่อไปลูกหลานที่รนะักเขาช่ไหม ทหารไม่ได้รับคําสั่งจากระราชาแต่จากนั้นก็พากันบุกเข้าไปหมายจะตีงกำแพงหมืองทตมาซึ่งมาทำนั้นไม่เข้าธํามโตเลยถ้าถูทหารก็โมโหสดเภสัตต์ตืดตมแล้วกกรวดตายเลนโคลก้อนหินตกลงมาถูทหารเขาบอกเจ้าอิเฆะพระเจ้าจุนนนีสมุทรจนไม่สามารถจะขึ้นไปได้นี้เขาบ้านเขาเล่นละคร เป็นควันดำทหารซ้อมรถยิงคิดจะทำลายกำแพงอยูขึ้นไม่ได้จะทำลายกำแพงแต่ก็ถูกทหารที่โยนเชิงเทินกุ้งหอกยิงดนวยขนุน <c oughs> ต่างคนบาดเจ็บล้มตายต่างเกือนและเข้าไม่ได้แล้วจิตทหารกองบัญชาละไม่สามารถจะโจมตีกำแพงนัคนได้ เข้าไปพ่อพระเจ้าจุนลนีกราบกล่ว า, า, าว่าพวกข้าพระเจ้าไม่สามารถจะโจมตีทรง ม, ม, มิเช ล, ลามหานครได้โดยพักพระเจ้าจุาจนลนีจึงเปิดสายาไปวัดโดยพระอาจารย์พวกเราไม่อาจจะตีทรงมิเชลาและเชล่คิดว่ามันจะเป็นหมูแต่ความจริงมันก็เป็นหมูจริงแต่กลายไปหมูป่าไปไม่ใช่หมูบ้านเชือดแยก คนนี้เราควรจะทำแบบไหนที่ชณะได้เจว้ก็กระคุณว่าเราควรจะกัดไม่ให้คนใดคนหนึง่งนำน้ำเข้าไปในเมือได้เมื่อชาวเมืออดน้ำก็จะทนไม่ไหวต้องเปิดประตูเมือออกมาไปจักน้ำเป็นว่าเราทำงานดีหรือหลีงหรือวตอนนี้เขาสั่งคน ยุกไม่ไม่เข้าไม่ออกในน้ําในเมืองมันก็ น, น้อยถ้าน้ํามันพังมาเลยไม่มีนั่นจะกินกระชายมันนั้นเหมือนกับที่ญี่ปุ่นโจมตีฮ่องกงเข้าไปที่แรกญี่ปุ่นใช้ทาหารใช้เครื่องบินโจมตีถังที่ฮ่องกงเขาอยู่ข้ามทะเลนัน่นแหละคืตอตอาศัยน้ำํำฝนอากัดน้ำน้าใหม่ญี่ปุ่นโจมตีถังน้ําพัง หองคงลรังปกครองต้องยอมจนนี่เมืองมิจิลามหานครก็เม็นสังกบัดไม่คนกินน้ามันน้ําหมดเพราะสังยานเรืแต่ว่าเมืองมิจิลามหานครจะแพ้หรือไม่แพ้ลูกหลานที่รักเอาไว้ฟังกับวันหน้าเพราะวันนี้หมดเวลากันแล้วต้องขอลากรอความสุขสวัสดิ์ทพัฒนาบงคลสมบูรณ์สมผลย้งมีแต่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี